พูดดิถ้าเห็นตัวเรากําลังเคลื่อนไหวถูกรอยปวดศีรษะไม่ผิดหลอกไม่ผิดจริงๆจะเป็นการเคารพธรรมเคารพคนอื่นร้อยครั้งพันหนสู้เคารพตนเองทีเดียวไม่ได้ท่านสอนเอาสัญญาคนอื่นร้อยครั้งพันหนสู้อัศวิตนทีเดียวไม่ได้การเคารพตัวเองก็ต้องรู้จักตัวเองการเอาชนะตัวเองก็ต้องรู้จักตัวเองจพื่อจะเอาชนะได้ ถ้าไม่รู้จักตัวเองเอาชนะตัวเองไม่ได้ถ้าไม่รู้จักตัวเองเคารพตัวเองไม่ได้เดี่ยวก็จะไปไหว้ผีไหว้เทวดาไหวอะไรที่ไหนไม่ศาสตร์เนี่ยเพราะคนไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งกับคนมีที่พึ่งมันไม่เหมือนกันไม่จะเดินทางไปตามถนนก็ไม่เหมือนกันคำว่าคนมันอยู่ตรงกายเดี่ยวกับไปข้างเดียเดี่ยวกับไปข้างทั่วคนมันเป็นยังไง เข้าใจเองอย่างนี้นะพูดมีพูดตามผมจริงใจไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงใครทั้งหมดพูดด้วยความจริงใจมนุษย์จรงแต่ว่าผู้มีจิตใจสูงมนุษย์ไม่ใช่คนนะแต่ว่าคนแต่ใ จ, ใจมันไม่ใช่คนมันเป็นมนุษย์มนุษย์จึงแต่ผู้จิตใจสูงคือคงหลงไม่เข้ามาครอบงำคำว่าได้เพราะลูกของจริงพึ่งตัวเองได้อันนี้แปลว่า จิตใจ ส, ส, สูงแต่ไม่ใด้เป็นอาญาบุคคลเป็นเชิงจิตใจ ส, ส, สูงเมื่อพูดอย่างนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าพูดอวดไม่ใช่พูดอวดพูดคนจริงถ้าพูดอวดอจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นการฆ่าตัวตายเท่านั้นเองพูดอวดคนนั้นคนนี้แต่พูดเนี่พู ด, ดความจริงใจใครมาปฏิบัติก็ต้องรู้อย่างนี้ไม่รู้อย่างอื่นเลย ที่สอนสอนมาไม่ใช่สอนแนะวิธีให้ปฏิบัติเอาเองสอนไม่ได้เรียนไม่ได้จําไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรียนตามตัวหนังสือเรารู้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ประถานมาคนนั้นคนนั้นคนนี้เรารู้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตใจมันไม่ใช่เป็นเรื่องเรียนเป็นเป็นเรื่องศึกษาเรื่องปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงจริงมาเรียกเลยว่าค่าสึกยะเสือพนสาลัก พ้นจากความสงสัยพ้นไปจากความหลัง่งเมตไสปก็รีว่าอริยะมงคลเข้าใจไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอนาหันอันนั้นเป็นเรื่องคําพูดที่พูดนี้พูดโดยคนกิ่ใจซึ่ว่าทุกคนเป็นได้พระสงฆ์องค์เนนปฏิบัติก็เป็นได้ฆราวาสญาิโยมปฏิบัติก็เป็นได้เป็นสําหรับจิตใจไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นนะ ท้าร่างกายด้วยถ้าอยากมาลี้ผ้าเหลืองก็ต้องโกนหัวแล้วก็เอาผ้าเหลืองมาสมมุติกันขึ้นได้แต่เรื่องจิตใจนั่นเป็นไม่ไดพ่อเคยบวชมาแนละ้วสองครั้งสมัยเป็นเมนก็บวชมาแนละ้วจิตใจไม่เป็นอย่างนี้เมื่ออายุยี่สิบปีก็ไปบวชอีกจิตใจมันก็ไม่เป็นอย่างนี้คราวนี้ไม่ต้องได้บวชแล้วแต่ ป, ปฏิบัติเป็นโยมมันก็รู้อย่างนี้จิตใจนี่มันถึิงโอ้นี่มัน มันไม่ใช่เป็นการเรียนมันเป็นการปฏิบัติให้มันเป็นเองควรเป็นเองนี่เนี่ยท่านว่ามันเป็นธรรมชาติควรเป็นเองนี่เนียท่านว่ามันเป็นธรรมชาติเราไม่รู้จักธรรมชาตินะักว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาเราไม่รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็พูดได้เป็นอย่างนี้ให้พูดยังไงเขาฟังได้เรื่องของคนอย่าไปจดจามันมากบางทีคนนั้นอาจไม่รู้พูดไป ก็ได้หมือบางทีคนนั้นอาจรู้พูดไปก็ได้แต่เราต้องพึ่งตัวเองจริงๆเอาความรู้มาจากจิตใจตัวเองมาสอนคนในเรื่องการฟังธรรมจากกัตตะบุรุษบุคคลที่รู้นั้นทันสวัดเป็นการฟังเลยยากและหาจะคบได้ยากเพราะเรายังมไม่รู้บุคคลผู้เช่นนั้นแต่คนธรมธรมดาธรรมรณาเนี่เดินไปก็พบกันแล้วก็แล้วกันไป ไม่รู้ว่าเขาจะมีคนรู้อย่างไงไม่ทราบแต่คนนั้นเขารู้ว่าหลวงพ่อบวชแล้วเขาก็ดีใจใเขาไปสอนเขาเขารู้จริงๆเรื่องนี้บวชมาได้ระยะจากห้าปีธรรมาก็ไปทัศนจรเพื่อจะไปตรวจสําหรับสํานักปฏิบัติไปเป็นลูกศิษย์เขาไปขอเรียนจากเขาที่ไหนมีครูบาอาจารย์สอนดีก็ต้องไป แต่ไปไม่ใช่ไปแสดงว่าเราเป็นผู้มีคมรู้ไปแสดงเป็นลูกศิษย์หอ oh, เรียนด้วยทางอุสา mm hmm. มีจังหวัดสุบนอำเภอวารินวัดป่าโพนเป็นป่าทึบห่างจากตัวอำเภอประมาณสิกิโล mm hmm. อาจารย์ชา mm hmm. เป็นผู้นาสอนอยู่ที่นั้นอาตมาก็ไปอยู่ด้วยหลายวันหลายวัน mm hmm. ออกจากนั้นก็มาทางศิษเกต มาทุกจังหวัดลรไปทมทุกจังหวัดสำนักใดดีก็ไปตะเลเปิดเปิ้ลไปที่หัวหินมีพระอาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยไปนอนกับท่านสามคืนท่านนั้งอยู่เนี่ยท่านมาท่านจะหอได้แต่ท่านดีท่านาอกจะห่อทําไมครูบาหลวงพ่ออยาลุกนะท่านคิดว่าท่านจะหอท่านอย่าลุกนะ ให้มันหอะไปเองผมอยากโดดไปข้ามทะเลไปทางโน้นถ้าโดดไปไม่ได้มันเป็นเฮวถ้านั่งอยู่นี่มันจะยกไปได้มันไปได้ทมันไปเองมันขับพูดให้ท่านฟังท่านทรงโอวนติมสูกินท่านดีแล้วก็พูดให้ท่านฟังอันนี้ประวัติแสดงคนนั่งไม่รู้จิตใจตัวเองคนไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองไม่จะไปรู้ตัวเองได้ยังไง ร, รู้มือเ้ารู้แต่ไม่รู้จักใจตัวเอง ไม่เห็นชีวิตตัวเองไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองก็เรียกว่าคนหลงถ้งจะเป็นพระก็หลงเป็นเมญก็หลงเป็นโยมก็หลงเป็นใครหลงทั้งนั้นเนี่ยท่านสออย่างนี้ตอนนี้คนรู้ตัวเองเห็นชีวิตตัวเองเป็นโยมก็เรียกว่าเป็นพระได้พูดคันไปแค่นั่งก่อก่อสมควรแล้วจากนั้นก็เดินไปถึงส่วนโมกอายุส่วนโมกเป็นมัดเลย มัดเล็กท่านทมเรือเจ้าคุณมุตธาตุทำเรือล่างหินมีโดมคนหนึ่งไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขาจำได้คือเง็ย้ยคนนั้นเป็นจริงจีิงเป็นล่างหินด้วยกันพอนีไปเจอเขาจำได้หลวงพ่อมาหยุดเมื่อไหร่เอามายึดงานแล้วเอาเงินไปให้ห้าพันคิดถึงหลวงพ่อพูดกับฉันสมัยล่างหินเขาเราจาเขาไม่ได้คือเงี้ อย่นี้เขามีโรงเปิดเปิดเป็นโรงกึงสองโรงก็ดีเหมือนกันประยชนที่นั่นก็นานขึ้นภูเขาทองขึ้นเขาหนังเอกไปที่ไหนไปชมตามป่าตามโดมมันนั้นดีเหมือนกันจากนั้นก็ขึ้นมาขึ้นมาบ้านเราที่หละมาปฏิบัติธรรมะดีทุกสำนักแต่ว่า สำคัญแต่เรงจะจริงหรือไม่เท่านั้นเองสมมุติให้ฟังเลยอย่ไปติครูบาอาจารย์ถ้าไปมมคํานิครูบาอาจารย์ไม่ไดังเราต้องเข้าไปทดลองสัมผัสดูเขาสอนแค่ไหนเขารู้เรื่องอะไรมาบุ้เราต้องถ้าเรารู้จริงๆแล้วก็ต้องไปไปสัมผัสดูจึงจะรู้ว่าคนนี้รู้อย่างนี้คนนี้รู้อย่างนี้ถ้าเรายังไม่รู้ไปสัมผัสไม่รู้ไม่รู้จริงจร แต่คนอื่นอาจจะรู้ตัวแตมาไม่รู้จริงๆเข้าไปสัมผัสกูบาจาั์ไม่รู้จริงๆเมื่อบวชเข้ามานี่ได้สามสี่ห้าปีแล้วไปสัมผัสกูบาจาันดีทุกองคโอด้ดีทั้งนั้นนี่ปัญหาที่จะแก้ทุกทุ่นให้ฟังพอดีรู้เรื่องลูกน้ำแล้วหมดทุกความสงสัยเรื่องสมุติผีเท ว, วดานระกสวรรค์บาปหมดทุกจริงๆแต่อย่าง ผมโกรธไม่ได้แก่ผมโกรธไม่ได้เพราะยังไม่รู้จักจิตใจมันเคลื่อนไหวยังไม่รู้จักจิตใจมันคิดตกเย็นมาเดินจมกลมเดินไปเดินมามันมาผักตรงข้างหูกเนี่ยอะไรเรามองไปนมื่อว่าเป็นคนมาผักข้างเราไม่เห็นครั้งที่สองมาวูบเนี่ยเราเอ๊ะมันคิดทำไมมันคิดดูลงไปเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ไ ม, มองไปอย่างนี้นะ ดูอย่างนี้นะเดินมันคิดอ๋อมันคิดก็เลยขยับเข้าทำเหมือนแมวจับหนูพอดี๋ยวหนูออกมาแมมจะทันทีอ๋อมันอย่างนี้พี่พอเดีมันคิดตุ๊กจับปับคิดตุ๊กจับปับพอดีมันเป็นอย่างนั้นคิดมาลอยเรื่องเรารู้ทันลอยเรื่องคิดมามื่นเรื่องเสียนเรื่องรู้ทันมืดเรื่องจิตใจมันเปลี่ยนจากภาวะไปเลยทําให้จิตใจที่มันมืดอยู่นั้นสว่างขึ้นมา รับรองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนไม่หนวกนูเพราะมันมีคนเหมือนกันนมันเป็นคนเหมือนกัน น, นี่สอนมากไก ล, ไ, กลไม่ต้องไปไกลคำสอนไม่มากที่พูดนี้พูด น, น้อยพอดีเป็นอย่างนี้มันรู้รู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้นี่เรียกว่าอัธบายบัญญัติแต่ลึกยากบุคคลจะเข้าใจอย่างนี้อิยะบัญญัติต้องเป็นอเนกบุคคลถึงเข้าใจได้อนี่มันเข้าใจเอง ไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเรื่อง น, นี้อาจจะมาไม่เคยถามใครที่ไหนเลยไปเจอคนว่ามันผิดเออมันผิดของท่านเป็นถูกของเราเราต้องมั่นใจไว้เหมือนเดียงนี่โคบาอาจารย์จะได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันผิดตรงเรียนอาจจะไปเรียนทําไหมมันจบแล้วนี่มันจบทำมาแล้วมันจบมันเส้นทุกไม่ใจะเรียนพระไตรปิฎกสามปีดอ ก, ก, กเองจะจบทําไม่ใช่อย่างนั้นเรียนเรื่องซีรีส์นี่เอง คนเรียนเรื่องชีวิตจบแล้วก็หมายถือว่าไม่มีทุกข์เขาเป็นอจบกันเลิกกันได้ทั้งจะทํางานทําการหนักเบาเอาสู้ไม่เป็นไรแต่ว่าใจมันมีทุกข์ใจเรื่องขา้าวเหนียวนานทําเป็นนามลูกไม่ใช่เป็นลูกอันนี้เป็นลูกนามเจ็บหัวปวดท้องร้องไห้แต่ว่าคนไม่รู้ใจตัวเองอันนั้นต้องศึกษาไปขั้นนั้นอันนี้ร่างกายไม่พัฒนาไม่ได้เจ็บใครเจ็บใจมันเจ็บ หายร้องไห้ใจมันร้องไห้ไม่ใช่รมัร้องไห้พกท่านทั้งหลายคงจะเห็นคนตายคนตายมันร้องไห้เป็นไหมร้องไห้ไม่ได้เอาไปไปจุดมันมันเจ็บไม่เจ็บไม่เป็นดังนันใจมันเจ็บเป็นองศึกษาลรืงใจใจคือตัวที่เลตะตัวจักระปุกมากที่สุดเราต้องเห็นอย่างนี้อ๋อเทวดาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอันอื่นหมายถึงตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ถูก มันจะเป็นคนเดินดินกินข้าวไม่ทุก์ก็เป็นเทวดาได้อาตมาเคยพูดกับคนบางคนนะแต่บางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้เรามีบ้านหลังคากระตั้วเล็กๆว่าเรามีบ้านเล็กๆอยู่หลังคามมงแฝกกินข้าวกับหมกปลาแดกแล้วเราทำนาทาสวนเดินดินได้แต่ไม่ทุก์ก็เป็นเทวดาได้ แต่พูดเรื่องนี้มันต้องพูดภาษาบ้านเรานูวบ้านหลังน้อยๆนี้หลังคามุงแฝกจึงเข้ากับหมกประแดกแล้วก็ทํานาทำส่วนได้ไม่ทุกก็เป็นเทวดาได้มันรู้ขึ้นมาอ๋อเรื่องเทวดานะั้นมันไม่ใช่เราเพาะไปอย่างนั้นไม่เห็นเทวดาจะเป็นเทวดาได้ไม่เป็นไม่ได้ตอนที่เข้าใจเรื่องนี้ทุกคนเคยได้ยินมาแล้วว่าพระพุทธเจ้า ตัดจะรู้เป็นพระลาหันผมพระพุทธเจ้าเนี่ยคาสองข้อมือเลยตัดทีเดียวไม่สั้นเลยได้ยาวอันนั้นคำพูดของคนไม่รู้ของคนไม่รู้คนไปจำมาจากตำลามาพูดแปลออกดีเหมือนกันอันนั้นผูกหน่อยไม่ถึงร้อยปติจริงจริงถ้าพูดอย่างตะมาพูดเนี่ยมันเป็นกฏตายตัวของธรรมชาติแล้ว ตายแล้วธ ร, รมชาติของท่านตายแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นจึงว่าเขามันมีปัญญามากเขาตับทีเดียวก็ได้เราอาจจะเป็นปุถุชนคอยด้วยตามเห็นตามตัดหลายพั้งหลายขนก็ได้เหมือนกันก็เลยเข้าใจะโอเรื่องนี้เองเรื่องนี้เองจบเรื่องชีวิตของเราปัญหาเรื่องจิตมาจบแค่นี้ไม่ใช่เป็นเรียนพระต๋อพิดกรู้จักเลยคนทุกคนเนี่ยเอา้า เดือนนี้ก็ต้องพูดให้มันจบเรื่องตง้องหนีไม่พ้นจกีจยวกับมลมหายใจต้องประสบการณ์เรื่องนี้จริงๆถ้าไม่ประสบการณ์เรื่องนี้จริงนี่ไม่ปรากฏคนเนี่งตายม่ได้ทรมานอยู่นั่นแหละเดี๋ยวทุกะเวทนาทุกโศกโศกาทุกให้กำไยอยู่ตลอดเวลาเมื่อสซีนี้ประกบการณ์กุ๊เขาจะดับลุกไปทันทีเลยดึงนั้ควรศึกษาเรื่องซีรีส์เนี่ยมันทุกคนต้องมีแล้วกล้าได้บอกว่า ไม่ไมทำไม่ทำจะทำทำไมเพราะคนมีชีวิตเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ตายเป็นเหมือนกันเนี่ยแต่คนมีที่ิตมันต้องศึกษาได้ที่เมื่อรู้ธรรมะอันนี้เราจะเป็นยังไงไม่เป็นอะไรเนาะก็ทํานาทําสวนจริงอย่างที่พูดเนี่ยอยู่บ้านหลังเล็กๆหลังคามุงแฝกและกินข้าวกับหมกปลาแดกก็ทํานาทําสวนไปอย่างว่าเนี่ยแล้วกาไม่มีทุกเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นตำรวจทาหาร เป็นครูปัสบาณเป็นอนาคอนาาทําการทํางานแต่ตามหน้าที่แต่ไม่ทุกข์ก็แล้วกันอยากเข้าใจว่าคนมีเงิน้อยล้ำไม่ทุกไม่ใช่เหรอเขาสนุกด้วยการด้วยทรัพสมบัติที่เป็นวัตถุนั้นเขาสนุกแต่ก็จริงสิงของเขาแต่เราจะว่าเขาไม่สนุกไม่ได้เหมือนกับนอนนั่นแหละนอนมันก็อุสล่สนุกขวดาก็ว่าของที่สนุกมันไม่เหมือนครับดังนั้นเรื่องชีวิตจิตใจนี้ เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะทุกคนหาซื้อซิริิตกันไม่ได้ถ้าเรานึกได้อย่างนี้แล้วต้องศึกษามีงก็ต้องศึกษาไม่มีก็ต้องศึกษาไม่ศึกษามากก็ต้องศึกษาให้ให้รู้ประวัติคนอย่างนี้ดีก่อนไม่รู้เรื่องชีวิตเนี่ยทุกคนเคยศึกษาเราเรียนเคยไปหลายจังหวัดเมืองไทยเลยในสี่สิบเจ็จังหวัดนี่จังหวัดไหนขายชีวิตคนไม่มี บางทีประเทศนอกอย่างฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอเมริกาที่ไหนก็ตามเนี่ยเคยมีบริษัทขายซีรีสคนไหมไม่ไมีอุตนอนใจทำไมเรื่องนี ice, ้ต่นั้นนอย่างวิ่งเต้นเอาซื้อเสียงเกียรติยศเอาเงินเอาทองพื่ซีว <c oughs> ิตัวเอื่งเมื่อไรจะศึกษาต่อยให้ซีรีส์ป็นร่วงไปล่วงไปต็วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทาอะไรอยู่ มันไม่เข้าใจพูดได้วันคืนล่วงไปล่วงไ ป, งไปเราศึกษาชีวิตเราไปด้วยไปทํามาหากินศึกษาชีวิตเราไปด้วยให้มันจบกับหลักชีวิตของเราได้แล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่เหลอดร้อนและคุณรู้ได้ยังไงก็เขาพูดให้ฟังเขาพูดไม่ใช่เราพูดเขาพูดไอเราทำไมจะไม่พูดเพราะเรื่องอะไรถ้าพูดจริงๆเขาบอกคนเรียนตัว่า คนลืมตัวได้เหมือนกับคนตายแล้วใครใครก็ตามที่พูดนี่อาจจะมาลืมตัวอาจจะมาคนตายแล้วโยนลืมตัวก็โยมก็เป็นคนตายแล้วเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ตายในเข้าลงไม่ได้ตายมนชีวิตตายเพราะจะิตจมั น, เ, นเหมือนมือบอดเหมนเปียกแต่จิตดินงานมันน่าเหมนเปียกแต่อยู่ภายในใจิตใจทวนกระแสของน้ําก็ไม่อื่นไกลคุณจะเข้าใจเลยก็ดูจิตของคุณนี่มันคิดกี่ครั้งมันคิดเรื่อยๆผมมันอ้าว มันคิดคุณมันรู้คิดแต่ไม่ได้เห็นคมคิดเห็นคนคิดมันต้องหยุดคมคิดได้โอมันจะหยุดทําไมมันคิดมันก็สนุกดีอกกจิ่งคุณคิดมันก็จริงแล้วแต่ว่าอันนี้คือว่าเห็นแล้วมันจะหยุดเรื่องนี้มันไม่น่าคิดเห็นเห็นแล้วมันหยุดไปทันทีกดคิดมันทีทวนกระแสของน้าคือทวนกันกระแสของน้ําหนักของจิตใจท่านทวนไปถึงกระแสที่มันคิดทุกรู้คิดปลุกรู้กันท้นน้ําอะ ต้นน้ำคือที่นี่แหละไม่ใช่น้ำอเ น, นลันซอนลันฟาที่ไหนไม่ใช่น้ำเจ้าพญาที่ไหนละต้นน้ำคือต้นนี้แหละนับรองบ่าวา่านี่ของจริงต้นนั้นเมื่อมาจับจุดนี้แล้วกัรู้จักมันจะปรากฏเรื่องใดมาของรู้จักใครใครก็มีอย่างนี้ทำไมจ่จะศึกษาไม่รู้ทำต่อมันจะต่อทําไมมันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องสมาเที่ยมเป็นคนละเรื่องเรื่องนี้มันเป็นคนละลจะามาติมาต่อกันได้ทำไม เรื่องศึกษาให้สั้นๆทําไมจะไม่ต้องการคนเนี่ยต้องการพูดให้ฟังด้วยความจริงใจคสั้นๆไม่อยากเอาอยากเอาสิ่งที่มันทํำยากๆอาจจะมาขอพูดคนจริงให้ฟังทางบ้านอะไรกันมาแล้วสร้างโบสถ์เตนี่มีไหมไม่มีเงินตัวมีไรต่ อ, อาขายตรงมาได้อทํานาไม่ทมาาํานาขายข้าขายเข้าวกลงได้แต่ซื้อเอกของมาแล้วตอ น, น, นไม่ได้ขายข้ายเนี่ยไม่ได้ขายถามได้ เรื่องชีวิตตัวเองทําไมจึงไม่ศึกษาเป็นเพราะเรื่องอะไรเนี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ไมันด้ห้ามนะเรื่องเนี้แต่ให้ทําแต่ว่าดังไงก็ตามให้ศึกษาอันนี้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นมันเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องชีวิตเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องนี้แนละ้วไปที่ไหนไม่พ้นไม่พ้นจริงๆเขาเรีย ว, วัตากคือวงกลมหมูนก็อยู่ อ, อย่างนั้นตลอดเวลาเทดนามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็ พูดถึงความจริงมาจากจิตใจมันเห็นอยู่นี้ตลอดเวลาจะเพื่อนไหววิเทวันต้องเห็นอยู่นี้อยูตลอดเวลาเนีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันบางคนอาจจะรู้แต่ไม่เห็นก็ได้ถ้าเห็นแล้วมันจะหมดสงสัยเรื่องคนโกหกคนโลภคนหลงอย่ที่นี่ไม่มีใครโกหกเลยอันนี้แหละตัวซึ้งของคนจริงๆตัวที่งของคนจริงๆมันไม่ทุกข์มันไม่สุขเขาเรียกว่านิพานนพานนิพพานไม่ใช่ตายแล้วจึงออก ทุกขับสุขเป็นของคู่กันอันไม่ทุกไม่สุขเนี่ยเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของชีวิตตัวเองมันไม่เคยทุกข์ไม่เคยสุขที่ทุกข์เรื่องอะไรเขาที่เป็นโสดแล้วโมหาะแล้วโมทัาแล้วดีใจดีใจเป็นสุขไหมดีใจเป็นสุขมันเป็นทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าจี่มาสอนว่าทุกขับสุขเป็นของคู่กันเราจะจากทั้งหมดเลยไม่เอาทุกข์เละไม่เอาสุขเนื้อทุกข์เนื้อสุขคำว่าเนื้อทุกข์เนื้อสุขก็แปลว่าเสยเสย กว่าอุปเตะขาเฉยๆวางเฉยก็ได้ไม่ใด้วางเฉยไม่มีผ้าไม่ใช่อย่างนั้นคือวางเฉยของเราเนี่ยคนไปทํำลายอะไรไม่ต้องพูดต้องจาไม่ใช่อย่างนั้นบางคนวางเฉยมีทรัพย์สินยินี้เป็นล้านๆใครมาเอากระวางเฉยไม่ใช่อย่างนั้นให้เข้าใจวางเฉยคือจิตใจบันเหนือ